พระไตรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่สาพุทธจารยาหัวข้อที่สองศีลบารมีมีสิบเรื่อง 1. ศีละวะนาคาจารยาประวัติครั้งเป็นช้างผู้มีศีลในสมัยที่เราเป็นช้างผู้เลี้ยงมารดาอยู่ในป่ารานคนหนึ่งเห็นเข้าก็ไปกราบทูลแด่พระราชา พระราชาจึงส่งส่งควานช้างไปจับเราปรานช้างสังเกตเห็นเราถอนรากเง่าบัวเพื่อเลี้ยงมารดาก็เข้ามาจับงวงเรียกเราว่าลูกเอ๋ยจงมาเพื่อที่จะรักษาศีลไว้เราแม้จะมีกำลังมากก็ไม่ได้ทำให้จิตรวนแปรผิดปกติสอง ภูริทัตตาจริยาประวัติครั้งเป็นภูริทัตตนานาคราชเรื่องนี้ได้เคยย่อไว้แล้วในพระสูตรว่าด้วยชาดก 3. ามจำเปยยะจริยาประวัติครั้งเป็นจำเปยยะนาคราชในสมัยที่เราเป็นจำเปยยะนาคราชผู้ตั้งอยู่ในธรรมถึงพร้อมด้วยศีลละวัด ขณะจำศีลรักษาอุโบสถไปถูกหมองูจับไปเล่นเพื่อขอเงินชาวบ้านและเราก็อนุโลมตามจิตของหมองูนั้นถ้าเรากโกรธก็อาจทำให้หมองูนั้นเป็นเท่าฐานได้ทันทีแต่เราก็ไม่ได้ทำลายศีล 4. จุลโพธิจริยาประวัติครั้งเป็นจุลโพธิพราม ในสมัยที่เราเป็นจุลโภทิพรามเห็นภายในพบออกบวชพรามณีผู้เป็นภริยานามว่ากนกะสนิพาก็ออกบวช ด, ด้วยต่างถือเพศบรรพชิตเดินทางไปในที่ต่างๆไม่คลุคลีในสกุลในหมู่คณะเมื่อไปถึงกรุงพาราณสีเห็นพระราชอุทยานไม่ปลุกพลานมีเสียงน้อยจึงอยู่ในราชอุทยานนั้นทั้งสองคน พระราชาเสด็จไปยังราชอุทยานทอดพระเนตรเห็นตรัสถามทราบความเกิดความพอพระหฤทัยในนางปริภาชิกาจึงสั่งให้อมมาต์ชุดเข้าไปในพระราชวังเรารู้สึกโกรธแล้วก็ระ ง, งับได้ไม่ยอมทำลายศีลเพราะเหตุที่ปรารถนาพระโพธิญาณเรื่องพิสดารในชาดกเล่าต่อไปอีกว่า แม้จะพูดจาหวานล้อมอย่างไรก็ไม่สามารถทำนางปริภาชิกาให้กลับใจครองคารวาสวิสัยได้พระราชาก็เลยไม่กล้าล่วงเกินผู้มีศีลสเสด็จไปหาพระโพธิสัตว์ได้ฟังธรรมส่งเลื่อมใสและคืนนางปริภาชิกาให้หมหิดสราชจาริยาประวัติ ครั้งเป็นพญากระบือในสมัยที่เราเป็นกระบือใหญ่เที่ยวไปในป่ามีลิงตัวหนึ่งมาถ่ายปัสสาวะรถบ้างถ่ายอุจจาระรถบ้างวันละหนึ่งครั้งบ้างสองครั้งบ้างสามครั้งบ้างสี่ครั้งบ้างประทุษร้ายเราตลอดการยักษ์ตนหนึ่งเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวยุเราให้ประหารซสี ด, ด้วยเขาหรือเท้า เราจึงตอบว่าถ้าเราโกรธลิงเราก็จะเลวกว่าลิงนั้นศีลก็จะทำลายวินยูชนก็จะติเตียนได้ 6. รุรุมิคาเจริยาประวัติครั้งเป็นพญาเนื้อชื่อรุรุในสมัยที่เราเป็นพญาเนื้อชื่อรุรุผู้ประกอบด้วยศีลอย่างยอดเยี่ยม ชายผู้หนึ่งหนีเจ้าหนี้โดดแม่น้ำคงคาถูกกระแสน้ำเชี่ยวพัดไปและร้องขอความช่วยเหลือเราจึงช่วยชีวิตไว้แต่ได้ขอไว้อย่างหนึ่งว่าอย่าบอกแกใครเกี่ยวกับตัวเราว่าเป็นเนื้อซึ่งมีสีเหมือนทองแต่ผู้นั้นก็เห็นแก่ทรัพย์จึงไปพาพระราชาจะมาจับเราแต่เมื่อพระราชาทรงทราบว่า เขาผู้นั้นเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรจึงจะฆ่าซะแต่เราได้ห้ามไว้การที่มีศีลในครั้งนั้นก็เพื่อพระโพธิญาณเจ็ดมาตังคจริยาประวัติครั้งเป็นฉดินชื่อมาตังค์ในสมัยที่เราเป็นฉดินชื่อมาตังคะเป็นผู้มีศีล มีจิตตั้งมั่นด้วยดีได้ตั้งอาสมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคากับพรามผู้หนึ่งเราอยู่เหนือน้ำพรามอยู่ใต้น้ำคือน้ำที่ไหลนั้นผ่านอาสมของมาตังเขรษีก่อนแล้วจึงจะถึงอาสมของพรามครั้งหนึ่งพรามนั้นเดินมาตามฝั่งน้ำเห็นอาสมของเราตั้งอยู่เหนือน้ำก็บริพาสเรา และสาบให้ศีรษะแตกเจ็ดเสียงถ้าเราจะโกรธตอบไม่รักษาศีลของเราเพียงจ้องดูเท่านั้นเขาก็จะเป็นฐานเท่าไปพรามนั้นโกรธมีจิตใจประทุษร้ายสาบเราคำสาบก็ตกแก่เขาเองเราได้ช่วยเปลืองพรามนั้นจากคำสาบด้วยโยคะเรารักษาศีลไม่ได้รักษาชีวิตของเราที่รักษาศีลในการนั้น ก็เพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณเท่านั้นหมายเหตุ head, ความจริงมาตังค์ฆจริยานี้ไม่ใช่เพียงแสดงเรื่องศีลบารมีเท่านั้นหากเป็นเรื่องที่ต้องการชี้ให้เห็นความเยื่หยิงถือตัวเพราะเหตุถือชั้นวั น, นะอย่างรุนแรงของคนโบราณด้วยในที่นี้จะนำเรื่องบางตอนมากล่าวไว้เพื่อให้เห็นว่าพระโพธิสัตว์ ซึ่งสมัยนั้นเกิดเป็นคนวันณจันทานช่างทรมานคนที่ถือตัวเพราะชาติอย่างไรเป็นเรื่องหน้าขันพอใช้พรามคนที่อยู่ใต้น้าหรืออยู่ในทิศทางที่กระแสน้ำจะไหลมาถึงที่หลังนั้นเป็นคนถือชาติมีมานะคือความถือตัวจัดวันหนึ่งมาตังค์ดดาบทซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เขียวไม้สีฟัน แล้วก็อธิษฐานให้ไม้สีฟันลอยน้ําไปติดที่มวยผมของพรามผู้ถือตัวแล้วก็ทิ้งลงไปตามกระแสน้ําไม้สีฟันก็ลอยไปติดที่มวยผมของพรามนั้นผู้กําลังอาบน้ําอยู่พรามก็โกรธเคืองมากจึงเที่ยวไปดูไปทางต้นน้ําพอพบมาตังขดาบทก็ถามก่อนทีเดียวว่าท่านเป็นคนชาติอะไรกษัตริย์หรือพราหม์ พอรู้ว่าเป็นคนในวันณะจันทานและเป็นคนทิ้งไม้สีฟันให้ลอยน้ําไปก็ยิ่งโกรธเคืองอย่างบอกไม่ถูกเพราะพราหมณ์ถือว่าคนจันทานเป็นเสนียดมากจึงสั่งการทันทีว่าเจ้าคนถอยเจ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้ต้องไปอยู่ใต้น้ําครั้นอพยพไปตั้งอาสมอยู่ใต้น้ําแล้วเขียวไม้สีฟันทิ้งลงไปไม้สีฟัน ก็อลอยทวนน้ำไปติดที่มวยผมของพราหมณ์ผู้ถือชาติอีกทำให้พราหมณ์นั้นมีความโกรธเคืองเป็นทวีคูณสาบให้ศีรษะแตกเจ็ดเสียงแต่คำสาบไม่ตกแก่มาตังขดาบทผู้มีฤทธิเ์เหนือกว่าพราหมณ์ผู้ถือตัวกลับถูกประชาชนบังคับให้ไปขอขมาต่อมาตังขดาบทอีกในภายหลัง แปธรรมะเทวปุตตจริยาประวัติครั้งเป็นธรรมะเทพบุตรอธิบายศั์ก่อนเข้าเรื่องคำว่ายักษ์ในเรื่องนี้หมายถึงเทพบุตรจึงแสดงที่มาให้เห็นชัดเพื่อว่าเห็นคำว่ายักษ์ในที่อื่นจะได้ไม่ด่วนทึกทักว่าเป็นพวกดุร้ายมีเขี้ยวออกนอกปากเสมอไป ในสมัยที่เราเป็นมหายักษ์ชื่อธรรมะคือธรรมะเทพบุตรชักชวนมหาชนให้ประพฤติกุศลกรรมบทสิบส่วนยักษ์ฝ่ายชั่วคืออธรรมะเทพบุตรชักชวนให้ประพฤติความชั่วสิบประการต่างเป็นศัตรูกันครั้งหนึ่งขับรถมาสวนทางกันจึงเกิดสงครามขึ้นเพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งหลีกทางให้ ตกลงเราทำใจให้สงบคือไม่โกรธเคืองหลีดทางให้เพื่อรักษาศีลแต่พอเราหลีดทางให้ทำจิตของเราให้สงบเทพบุตรฝ่ายชั่วก็ถูกธรณีสูบคือลดายหัวลงตกลงสู่พื้นโลกหมายเหตุเรื่องนี้เป็นที่มาแห่งพระราชนิพนธ์เรื่องธรรมมาธรรมะสงคราม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีเ ส, สินธระมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่หกทรงพระราชนิพนธ์ก้าชยยะทิสจาริยาประวัติครั้งเป็นโอรสพระเจ้าชายัยยะทิสศในสมัยที่เราเป็นผู้มีนามว่าอลีนสันตะ เป็นโอรสของพระเจ้าชยธิสะในกรุงกับปิลาหรือบางแห่งเรียกกัมปิละแห่งแคว้นปัญจาละผู้ประกอบด้วยขุนคือศีลครั้งหนึ่งบิดาเปลาเนื้อถูกปุริสาทะหรือมนุษย์กินคนจับได้แล้วปล่อยให้กลับด้วยมีสัญญาว่าจะไปให้กินในภายหลังเราได้ไปแทนแต่ก็ไม่ได้ทำอันตรายมนุษย์กินคน เพราะเกรงศีลขาดได้เจรจากันในที่สุดพูดเกลี้ยกล่อมให้มนุษย์กินคนรู้สึกผิดชอบออกบวชเป็นดาบทส0สังฆปาละจริยาประวัติครั้งเป็นพญานาคชื่อสังฆปาละในสมัยที่เราเป็นพญานาคชื่อสังฆปาละ ได้อธิษฐานจำอุโบสถในทางใหญ่สี่แร่งลงใจว่าใครจะต้องการเนื้อหนังเอ็นกระดูกของเราก็จงเอาไปเถิดได้ถูกพวกรานร้ายเข้าไปหาแทงที่จมูกที่หางกึ่งกลางหลังอัฐกะทาชาดวกว่าแทงแปดแห่งแล้วเอาวายร้อยใส่หาบหาไปถ้าเราปรารถนาก็อาจทำลายให้เผาไหม้ได้ด้วยลมจมูก แม้เมื่อถูกแทงด้วยหลาวถูกสักด้วยหอกก็ไม่ได้โกรธคนเหล่านั้นนี้เป็นศีลบารมีของเรา